จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อนสายในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16กรกดาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาลาบบา มาชำระใจให้สาดบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าที่ทรงสอนว่าชีวิตของพวกเรานี้เราเป็นผู้ลิขิตเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเราจะเป็นอะไรอยู่ที่การกระทำของเราไม่ใช่เป็นเรื่องของพรหมลิขิต แต่เป็นเรื่องของกรรมลิขิตกรรมก็คือการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจทาการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมการกระทำทางใจเรียกว่ามนโนกรรมเมื่อทาไปแล้วก็จะเกิดผลตามมา เรียกว่าวิบากรรมวิบากรรมนี้มีทั้งดีและไม่ดีและกลางกาเพราะการกระทำของเรามีการกระทำสามทางไปในทางที่ดีทางที่ไม่ดีและทางกลางกลางทางที่ดีก็ทำให้เราได้รับผลดีทางไม่ดีก็ทำให้เรารับผลไม่ดี ทางกลางๆ ก, ก็ไม่มีผลดีหรือผลไม่ดีนี่คือชีวิตของพวกเราที่เรามาเกิดกันและเป็นอะไรต่างๆกันไปเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นคนหน้าตาสวยงามเป็นคนหน้าตาไม่สวยงามเป็นคนที่มี อายุยืนยาวนานเป็นคนที่อายุไม่ยาวนานเหล่านี้เกิดจากการกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจที่เราได้ทำมาในแต่ละภพแต่ละชาติกรรมเหล่านี้การกระทาเหล่านี้ก็จะสะสมกันแล้วก็มาสมผลให้พวกเราได้มาเกิดเป็นหญิงเป็นชาย เกิดสูงเกิดต่ำเกิดรวยเกิดจนเกิดฉลาเกิดโง่เป็นผลที่เกิดจากการกระทาของเราพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราทำบุญคือทำทำดีละบาป ค, คือละการกระทาไม่ดีแล้วก็มาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ กำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆเราจะมีแต่ผลดีตามมาผลไม่ดีจะไม่มีตามมาการกระทำความดีนี่หมายความว่าอย่างไรการกระทำความดีก็คือการกระทำที่เราทำแล้วไม่เกิดโทษกับผู้อื่นและไม่เกิดโทษกับตัวเรา เกิดแต่ประโยชน์ก AH ับผู้อื่นและเกิดประโยชน์กับตัวเราเรียกว่าการทําความดีการกระทําความไม่ดีคือการกระทําที่เกิดโทษกับผู้อื่นและเกิดโทษกับตัวเราไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นและกับตัวเราเรียกว่าเป็นการกระทําไม่ดีเรียกว่าบาปแล้วการกระทํากลาง ก็คือการกระทำที่ไม่ได้เกิดโทษแก่ผู้และไม่ได้เกิดโทษกับตัวเราหรือคุณกับตัวเราหรือคุณกับผู้ทำไปแล้วไม่ได้มีผลอะไรเกิดขึ้นไม่มีผลกระทบกับผู้นี่คือการกระทำที่เราทำกันสาสามทางด้วยกัน3มอย่างด้วยกันแล้วก็ทำสามทาง ทำด้วยใจทำด้วยวาจาและทำด้วยกายการกระทําทั้งหมดนี้เกิดจากการกระทําของใจคือมโนโกรรมมโนโกรรมก็คือความคิดใจต้องคิดก่อนคิดว่าจะทําอะไรดีเมื่อคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายทําไปสั่งให้ร่างกายพูดไปอย่างวันนี้ญาตโยมคิดว่าจะมาทําบุญ ก็เลยสั่งให้วาจาพูดชวนคนนั้นคนนี้มาร่วมทำบุญกันแล้วก็ออกเดินทางมาด้วยร่างกายนำข้าวของต่างๆมาถวายพระนี่เรียกว่าเป็นการกระทำบุญเป็นการกระทำความดีเพราะทำแล้วเกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้ก็จะได้สิ่งของมาบรรเทาความอดยากขาดแคนเช่นได้รับอาหารได้รับจีวรได้รับยารักษาโรคเพราะนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อร่างกายเมื่อได้รับแล้วก็จะได้รับประโยชน์ทําให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่าเกิด ไว้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นประโยชน์ที่ผู้ให้ได้รับก็คือได้รับความสุขใจทําบุญแล้วก็จะเกิดความสุขใจบุญนี้จะเป็นเหมือนน้ามันที่จะส่งให้ใจไปที่สูงได้ไปเกิดในสวรรค์ต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วส่วนการกระทําบาปหรือการกระทําที่ไม่ดีทําแล้วเกิดโทษกับผู้อื่น ก็เรียกว่าบาปเช่นถ้าคิดว่าเดี๋ยวจะไปฆ่าสัตว์เดี๋ยวจะไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีพอคิดแล้วก็ไปทำตามที่คิดทาแล้วก็จะทำให้เกิดโทษกับผู้สร้างความเสียหายให้แก่ผู้เช่นไปฆ่าผู้ไปลักทรัพย์ของผู้ไปมีสัมพันธ์ทางเพศกับสามีภรรยาของผู้ อย่างนี้ทาแล้วก็จะทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนและผู้กระทาก็จะได้รับผลไม่ดีเพราะทําให้ใจไม่สบายทําบาปแล้วจะมีรู้ความรู้สึกไม่สบายใจเพราะกลัวจะต้องรับผลบาปที่จะตั้งตามมาต่อไปและหลังจากที่ตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายจะไม่ได้ไปสวรรค์ จะไปนรกไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเพราะการกระทาเป็นผู้กําหนดเป็นเหตุผลก็คือพบชาติที่เราจะไปเกิดเกิดสูงเกิดต่ำเกิดดีเกิดไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เรากระทากันส่วนการกระทาที่ไม่เดือดร้อนแก่ผู้อื่นแต่ไม่เกิดคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น ก็จะไม่มีผลกระทบ ก, กลับมาเช่นเราไปทำงานเราไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารออกกําลังกายอาบน้ำอาบท่าททำอะไรเกี่ยวกับร่างกายนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่ได้เป็นโทษกับคนอื่นผลก็เลยไม่มีอะไรเกิดกับใจของเราใจของเราก็ไม่ได้รู้สึกสุขหรือทุกข์แต่อย่างใดถ้าตายไป ก็ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกไปตายไปก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เป็นมนุษย์เท่าเดิมเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนร่างกายอันใหม่เท่านั้นเองนี่คือเรื่องของการกำหนดชะตาชีวิตของพวกเราไม่มีใครมากำหนดชะตาชีวิตของเราไม่มีใครสร้างชีวิตของพวกเราพวกเราเป็นคนสร้างชีวิตของพวกเราเอง พวเราจรึงมาเกิดมีความแตกต่างกันเพราะในอดีตเราทำบุญมาไม่เท่ากันเราทำบาปมาไม่เท่ากันเราจรึงมาเกิดไม่เท่ากันถึงแม้จะมาเกิดในครอบครัวเดียวกันเกิดจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่เราจะมีความแตกต่างกันบางคนก็ฉลาดกว่าบางคนก็โง่กว่าบางคนก็มีความสามารถ ที่จะไปทามาหากินหาเงินหาทองได้มากกว่าบางคนก็สามารถทำงานจนมีความก้าวหน้าในทางตาแหน่งต่างๆบางคนได้เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีบางคนก็ไม่ได้เป็นบางคนก็เป็นคนทำงานธรรมดาอันนี้เป็นเพราะการกระทำของแต่ละคนมานี่ได้ทำมาไม่เหมือนกัน แล้วพอทำมาแล้วมันจะติดเป็นนิสัยมาถ้ามีนิสัยที่ชอบทำงานขยันมาเกิดชาตินี้ก็จะขยันถ้ามีนิสัยขี้เกียจมาเกิดชาตินี้ก็จะขี้เกียจถ้ามีนิสัยชอบเดิมสระเล่นการพนันเที่ยวเตรไม่ชอบทำงานชอบชบคนไม่ดีเป็นมิตร มาเกิดชาตินี้ก็จะติดนิสัยนี้มาคนที่ชอบเรียนหนังสือชอบทํางานชอบหาเงินก็จะติดนิสัยนี้มานิสัยเหล่านี้ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่คนที่มาเกิดในครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันแต่มีนิสัยต่างกันบางคนก็ชอบกินเหล้าบางคนก็ชอบใส่บาตอันนี้เป็นเรื่องของการกระทําในอดีต การกระทําดีเราก็เรียกว่าบุญเรียกว่าบากระมีการกระทําบาป ก, ก็เรียกว่าวิบาสมาเกิดแล้วมาทําสิ่งที่ชั่วต่างๆพ่อแม่ก็สอนเหมือนกันสอนให้ลูกทําความดีสอนให้ลูกไปโรงเรียนส่งเสียให้ร่าเรียนแต่ลูกบางคนก็ไม่เรียนหนีเรียนลูกบางคนก็ตั้งใจเรียนเพราะลูกแต่ละคนนี้ มีนิสัยมาจากอดีตไม่เหมือนกันเคยทำอะไรไว้มันก็จะติดเป็นนิสัยไปเช่นเคยดื่มสุรามันก็จะติดนิสัยเคยเที่ยวมันก็จะติดนิสัยเคยเรียนหนังสือมันก็จะติดนิสัยแต่นิสัยเหล่านี้เราสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ดีเช่นถ้าเราเห็นว่าการดื่มโุลานี้ไม่ดีเราก็ฝืนได้ เวลาอยากดื่มสุราก็บอกว่าไม่ดื่มดื่มแล้วทาให้เราแย่ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นถ้าเราฝืนบ่อยๆต่อไปนิสัยที่อยากจะดื่มสุราก็จะหายไปถ้าเราไม่มีนิสัยดีเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้เช่น <c oughs> ถ้าเราไม่ชอบเรียนหนังสือเราก็สอนตัวเราเองบังคับตัวเราเองว่าการเรียนหนังสือนี้มีประโยชน์ บังคับตัวเองให้ดูหนังสือเปิดหนังสือเวลาอยู่ห้องเรียนก็ตั้งใจฟังครูสอนเวลากลับมาบ้านก็ทำการบ้านดูหนังสือไม่ไปทำอะไรอย่างอื่นพอเราบังคับตัวเราเองไปต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยไปแล้วเราก็จะชอบเรียนชอบไปโรงเรียนชอบฟังครูสอนชอบทาการบ้าน พอเราได้ล้ำเรียนเราก็จะได้วิชาความรู้แล้วเราก็สามารถเอาวิชาความรู้นี้ไปทามาหากินหาเงินหาทองได้อย่างง่ายดายง่ายกว่าคนที่ไม่มีวิชาความรู้ดังนั้นถ้าเรามีนิ ส, สัยที่ไม่ดีเราเปลี่ยนได้ถ้าเรายังไม่มีนิ ส, สัยที่ดีเราก็เปลี่ยนได้เช่นถ้าเรา ยังไม่เคยคิดจะบวชเราก็คิดได้ว่าเราจะบวชเช่นวันนี้ก็มีการบวชกันคนเหล่านี้เขาคิดว่าเขาอยากจะบวชกันเพราะเ็เห็นว่าการบวชนี้เป็นการกระทำที่ดีมีประโยชน์กับหลายฝ่ายกับตนเองก็ได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถนำเอาไปปฏิบัติกำจัดความทุกข์ต่างๆได้ กำจัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องคือบิดามารดายาตพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายเขาก็จะได้รับประโยชน์เพราะเมื่อเขาเห็นเราบวชเขาก็จะสนใจก็จะมาวัดมาเยี่ยมเรามาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมนะก็อาจจะทำให้เขาเกิดความคิดอยากจะบวชขึ้นมาต่อไปก็ได้ อย่างพระพุทธเจ้านี้เวลาที่ท่านออกบวชตอนต้นก็ไม่มีใครสนใจคนในครอบครัวไม่มีใครสนใจบวชแต่พอพระพุทธเจ้าบวชแล้วตรัสรู้พอกลับมาเอาธรรมะมาสั่งสอนให้ญาติพี่น้องบรรดาญาติพี่น้องต่างๆก็ขอบวชกันเพราะเข้าใจแล้วว่าการบวชนี่มันดีมันดีที่สุดดีกว่าการเป็นพระมหาจักรพรรษ พระพุทธเจ้าของเรานี้ท่านมีมีทางที่จะไปได้สองทางถ้าอยู่ในทางโลกก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิเพราะท่านจะสามารถทาสงครามทำให้ขยายอาณาเขตการปกครองของท่านให้กว้างใหญ่ไพศาลได้แต่ถ้าท่านออกบวชท่านก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด นิสัยของพระเจ้านี้ท่านเคยทำทานเคยรักษาศีลมาเคยปฏิบัติธรรมมาท่านจึงอยากจะออกบวนท่านไม่อยากจะเป็นพระมหาจักรพรรดิเพราะท่านเป็นคนที่รักษาศีลถ้าเป็นพระมหาจักรพรรดิก็ต้องไปทำสงครามต้องไปต้องไปฆ่าผู้อื่นเพื่อจะได้ยึดเอาที่ดินเอาอะไรต่างๆของผู้อื่นมาครอบครอง ซึ่งมันขัดกับนิสัยของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญมา <c oughs> เคยทรงรักษาศีลมา <c oughs> เคยทําทานมาจ <c oughs> ึงไม่มีความปรารถนาที่จะไปเบียดเบียนผู้บ้นมีความปรารถนาที่อยากจะไปบวชอยากจะไปหาความสงบอยากจะไปหาวิธีที่จะหยุดใจไม่ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ท่านจึงต้องหนีออกจากวังไปเพราะว่าคนในวังนี้ไม่มีใครอยากจะบวชกันแล้วก็ไม่อยากจะให้ท่านไปบวชเพราะอยากจะให้ท่านอยู่เพื่อที่ท่านจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิท่านจึงไม่ปรึกษากับใครไม่บอกใครเพราะรู้ว่าถ้าบอกหรือปรึกษาก็จะไม่มีวันได้ไปก็เลยต้องหนีไปหนีไปแล้วก็ไปปฏิบัติจนได้ตัดสัเป็นพระพุทธเจ้า ในพบทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปหลังจากนั้นท่านก็มาสอนญาติพี่น้องที่อยู่ในวังแล้วก็ทำให้ญาติพี่น้องพ่อแม่มีความสนใจที่ปฏิบัติธรรมและได้บรรลุได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันอันนี้ก็เกิดจาก การกระทำความดีของพระพุทธเจ้าการบวชนี้จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะจะทำให้ญาติพี่น้องเช่นบิดามารดานี้ได้เกาะชายผ้าเหลืองเกาะชายผ้าเหลืองก็คือถ้าปกติถ้าลูกไม่ได้บวชก็จะไม่ได้มาวัดกันเพราะมีภารกิจการงานทำมาหากินอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมด แต่พอลูกมาบวชก็เลยคิดถึงลูกก็เลยต้องหยุดการทำงานไว้ชั่วคราวเพื่อมาเยี่ยมลูกมาทำบุญส่บาทให้กับลูกพอมาวัดก็เลยได้ทาบุญทาทานได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วถ้ามีการสมาทานศีลก็จะได้รักษาศีลพอได้ทำแล้วก็จะเห็นคุณค่าของการกระทำว่าทำให้จิตใจมีความสุข ทำให้มีความทุกข์น้อยลงไปแล้วรู้ว่าตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ก็เลยทำให้เกิดศรัทธาอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นพอยิ่งปฏิบัติได้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นยิ่งมีความรู้มากขึ้นรู้ว่าวิธีที่จะทำให้ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายนั้นต้องทำอย่างไรวิธีที่ไม่ต้องกลับมาเกิด มาแก่มาเจ็บมาตายก็คือต้องมาทำใจของเราให้สะอาดใจของเรานี้ตอนนี้ถูกความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆพุ<อ>้มห่อจิตใจเป็นตัวที่จะฉุดลากให้จิตใจของเรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆความอยากของเรานี่แหละทาให้เราต้องกลับมาเกิดกันเพราะถ้าเรายังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็ต้องมีร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปความอยากมันก็จะพาให้ใจเราไปหาร่างกายอันใหม่เราก็จะได้ร่างกายอันใหม่แต่พอได้ร่างกายอันใหม่เราก็ต้องได้รับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันใหม่เพราะความอยากของเราอยากรู้อยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากใช้ร่างกายหาความสุขก็เลย ต้องกลับมาเกิดพอเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากจะเจ็บไม่มีใครอยากจะตายแต่ทําอย่างไรได้ถ้าเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็อย่ากลับมาเกอยามมาเกิดและการที่ไม่เกิดก็ต้องหยุดความอยากต่างๆให้ได้ตัดความอยากไปให้หมด ความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสความอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยากได้แฟนอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากเหล่านี้ต้องตัดไปให้หมดวิธีที่จะตัดก็ต้องมาหยุดความคิดเพราะความคิดเป็นตัวที่ทำให้อยากพอเราคิดถึงอะไรเราก็จะอยากได้สิ่งนั้นคิดถึงเงินก็อยากจะได้เงิน คิดถึงแฟนก็อยากจะมีแฟนคิดถึงอะไรก็อยากจะได้สิ่งนั้นถ้าเราไม่คิดเราก็จะไม่มีความอยากดังนั้นเราต้องมาหัดหยุดความคิดกันวิธีหยุดความคิดก็ให้เราคิดอยู่เรื่องเดียวเช่นยุดคิดอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธไปถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเราก็จะไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้พอเราไม่ได้คิดเราก็ไม่มีความอยาก นี่คือวิธีที่เราจะกำจัดความอยากในเบื้องต้นหยุดความคิดก่อนพอเราหยุดความคิดได้แล้วขั้นต่อไปก็สอนให้คิดให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี้มันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขได้อะไรมาแล้วเราจะต้องทุกข์กับมันได้แฟนมาก็ต้องทุกข์กับแฟนได้อะไรมาก็ต้องทุกข์เพราะเราต้องคอยดูแลรักษาเราจะรักเราจะหวง จะทำให้เราห่วงทำให้เรากังวลและเวลาที่เขาจากเราไปก็จะทำให้เราเสียใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้มันจะต้องจากเราไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นของเราทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่าง ๆ, ๆก็ไม่ได้เป็นของเราลูกเราสามีเราภรรยาเราญาติพี่น้องเราก็ไม่ได้เป็นของเรา เวลาเราตายไปเอาใครเอาเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยไปตัวเปล่าเปล่าเวลามาก็มาตัวเปล่าเปล่ามากับความอยากแล้วก็ไปกับความอยากความอยากก็จะพาให้ไปเกิดใหม่ถ้าเราตัดความอยากได้เราก็จะไปแบบไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่และการไม่มีความอยากนี้เป็นความสุขอย่างยิ่ง เพราะเวลาไม่มีความอยากนี่ใจจะอิ่มใจจะพอใจจะมีความสุขเวลาใจอยากแล้วความสุขหายไปความอิ่มหายไปความพอหายไปเราจึงต้องมาหยุดความอยากกันถ้าเราหยุดความอยากได้ใจของพวกเราก็จะเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าพพระพุทธเจ้านี่ท่านหยุดความอยากท่านจึงไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อไม่เกิดก็ต้องก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย นี่คือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าการบวชของพระพุทธเจ้าบวชเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากต่างๆเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายหยุดความทุกข์ได้หมดเลยถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายมีการพัดพลาดจากกัน มันก็จะมีแต่ความทุกข์ตามมาดังนั้นถ้าเราอยากจะให้อนาคตชีวิตของพวกเรานี้ดีขึ้นไปตามลําดับมีความสุขมากขึ้นไปตามลําดับมีความทุกข์น้อยไปตามลําดับจนไม่มีไม่มีเหลืออยู่ในใจเลยเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าและทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือให้ทําบุญละบาปแล้วก็มาชําระ